สิจิตตานุปริวัติทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมุทานรูปที่เป็นไปตามจิตอาศัยขันหนึ่งที่เป็นไปตามจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ พึงทาทุกกะนี้ให้เหมือนกับจิตตะสหภูทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันจิตานุปริวัติทุกะจบหกสิบสาจิตตะสังจัตถสมุทฐานาทุกะหนึ่งปฏิจวาระ 1. หนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจสองร้อยเจ็ดสิบปดสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน อาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป <'SL> ็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ จิตและจิตแต่สมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและปจิตตารูปอาศัยขันธ์ที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ ขันสองจิต PM และจิตแต่สมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสองร้สิบเกสภาวะธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่จิตแต่สมุทฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะกระตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปและกระตตารูปเป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุจุขันอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุจุบขันอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันเนื้อกตาตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขัน์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสองสภาวธรรมที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐาน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 ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่รักนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่ไม่รักนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่รักนกับจิต มีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตแตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน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 มีจิตเป็นสมุ o ฐานและอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองยอ่อ 1. ปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนัองรยแปดเอเหตุปัจจัยเนี่ก้าวาระอารมาณะปัจจัยเนี่ก้าวาระอธิปติปัจจัยเนี่ก้าวาระอนัตตะปัจจัยเนี่ก้าวาระสมนันตะปัจจัยเนี่ก้าวาระ สหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิเญยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอาสิวะณปัจจัยมีห้าวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจก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 ในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะโมหะที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคต ด, ด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตกปัจจัยได้แก่จิตและจิตตสมตุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุ ซึงรัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอนเธอตุกะสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเนเหอตุกปัจจัยได้แก่ขันสองจิตและจิตแต่สมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งระคนกับจิต และมีจิตเป็นสมุทฐ <right> านเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะ283สภาวธรรมที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะน่เหตุตกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานนรูปอาศัยจิตที่เป็นในเหตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะ กระตัตรารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตอาศัยหาไัยวัตถุเกิดขึ้ น, น, นละถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาจารนิสสัตตพรมสภาวธรรมที่รักคนขับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่รักคนขับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะนเหตุตกปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขัน อาศัยจิตที่เป็นในเหตุุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุกะสัมปยุทธขันน์อาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ท, ที่เป็นในเหตุุกะขันธ์ที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นโมหะที่โสหรโค ด, ด้วิจิกิจฉาและที่โสหรโค ด, ด้วยอุทัจะอาศัยจิตที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุทะจะเกิดขึ้น สภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจใจได้แก่สัมปายุตตะขัน์และจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยจิตที่เป็นนะเหตุตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนะเหตุตุกะสัมปายุตตะขันและกระตาตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุุกกะจิตและจำปัจจุบันขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสองรอสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งรัคนกับจิต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 มโมหะที่สหรคตด้วิจิ ก, กิจฉาและที่สโสหรคตด้วยอุทะจาอาศัยขันธ์ที่โสหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทะจาและอาศัยจ th yup ิตเกิดขึ<โ>้น <em S 1> สภาวธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะน้เหตุปัจจัยได้แก่จิตแต่สมุทฐานรูป อาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งรัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งรัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยมหาภูตอรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะกระตัารูปอาศัยขันที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะ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 มีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็ น, นเหตุกะพึงเพิ่มเป็นสองวาระณอารมณปัจจัย285สภาวธรรมที่ไม่รักพนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่รักพนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันธ์ที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที self self ่ <c oughs mean Reynolds> ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะน่ะอรมณปัจจัยได้แก่จิตแตสมุทฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตรารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นพาไทยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้น และถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเพื่เพิ่มข้อความจนถึงอาศัยนิสสัตตพรมสภาวะธรรมที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยได้แก่จิตแต่สมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้น จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มเป็นสองวาระยอ่อสองปั จ, จยะปัจจนาสองสังขยาวาระสุทธนสองร้อยแปดสิบหนะเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระนอะอรมณะปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยมี9้าวาระ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 ณอินทรียป yes. ัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหกวาระณมขะปัจจัยมี9้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนาถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจจญานุโลมปัจญิยะสองร้อยแปดณอรมณะปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระย่อ 4. ปั จ, จยะปั จ, จนิยานุโลม 288. รอปารมณะปัจัจกับนั่นเหตุกปัจจัหจจมีอก้าวาระอันันตระปัจจัหมีอก้าวาระยอสาชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ สจิตจสังสัทธะสมุทฐานทุกขะสปัจยวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัย 289. สสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจใยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ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 ทำสภาวะธรรมที่ม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมไปยุติขันทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานรำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มเป็นสองวาระมีสามวาระสองเกสิสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน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 และถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเป็นสองวาระสภาวะธรรมที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่รูปที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทำขันที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐาน และทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นรูปที่ไม่รับคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทาขันที่รับคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและทามหาภูตารูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตทำขันที่รับคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและทำอาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่งเพิ่มเป็นสามวาระสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐาน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 ขันสองและจิตทำขันหนึ่งที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและทรอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะเพิงเพิ่มเป็นสองวาระอารมณปัจจัยสองเก้าสเดสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอรมณปัจใจมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่รบกนกับจิตและไม่จิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่ไม่รบกนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นเพราะอรมณปัจใจได้แก่จักขูวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นทำกายยตนะและถึงจิตทำภทยวัตถุให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวธรรมที่มิรัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรู้โคด้วยจักรวิญญาณทำจักขายะตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำกายะตนะและถึงสัมยุทธขันธ์ทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน ธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏ c, สิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มเป็นสองวาระสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมาณปัจจัยได้แก่จักขูวิญญาณและสัมปยุตตะขันทำจักขายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำกายยยตนะ ละถึงจิตและสัมพยุตขันธ์ธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเป็นหนึ่งวาระสองเก้าสิบสองสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่ง สหรคตด้วยจักขรวิญญาณจักรขายาตนะและทำจักขรวิญญาณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองที่สหรโคด้วยกายวิญญาณขันสองทำขันหนึ่งที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองขันสองทำขันหนึ่งที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐาน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 และทําจักคายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่สหรโคดด้วยกายวิญญาณและถึงจิตทั้งคันที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มเป็นหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐาน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 เหตุ ป, ปัจจัยมีกลาวว่าอารมณปัจจัยมีกลาวว่าอธิปติปัจจัยมีกลาวว่าทุก ป, ปัจจัยมีปัจจัยละกลาวว่าอวิคตตปัจจัยมีกลาวว่าสองปัญญาปัจญายะหนึ่งวิพังขวาระสองร้สภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยโดยในนี้เพิ่มเพิ่มเป็นเก้าวาระในปัจจยาวาระเพิ่มเพิ่มปัญจวิญญาณเฉพาะสามวาระมีโมหะสองปัจจยปัจจนียะสองสังขยาวาระสุทไนัรยเก้สิบห้านเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนะัอารรมณะปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระ ณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาติปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีเก้าวาระณอาศวณปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยมี9้าวาระนมะขาปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสาวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสมวาระการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยวาระพึงทำอย่างนี้ 63. จิตสังจัตถสมุทฐานทุกกะ ห้าสังสัตวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยสองเก้าสหสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานละถึง เกิดระคนกับ <parfois> ข uhm ันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีรัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดระคนกับสภาวะธรรมที่รัควกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่จิตเกิดระคนกับขันที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่รักควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐาน เกิดรัคนกับสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานและถึงเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ จำปัจจุขัน์เกิดรัคนกับจิตในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดรักคนกับสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดระคนกับขันหนึ่งที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดรัคนกับจิต ละถึงเกิดรัวคนกับขันสองในปฏิสนทิขณะยอ่อ 1. นึ่งปัญญานุโลมสอง 2. สังขยาวาระสองร้เก้หตุปัจจัยมีห้าวาระอรรถมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหาวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ 2. องปัญญาปัจญจายะหวิพังขวาระ สองสภาวธรรมที่รัควกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะนัเหตุก ป, ปัจจัยย่อเฉพาะสามวาระมีโมหะ 2. ปัญญาปัจญะยะ 2. สังขยาวาระสุทนยัย299นัเหตุก ป, ปัจจัยมีห้าวาระนะัอธิปติ ป, ปัจจัยมีหวาระ นาปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนปัชชาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนอเสวณปัจจัยมีห้าวาระนกรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนาชานะปัจจัยมีห้าวาระนมข้าปัจจัยมีห้าวาระนวิบุตตปัจจัยมีห้าวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสมำยุตตวาระพึงทำอย่างนี้ สจิตตาสังสัทธสมุทฐานนทุกะ 7. ปัญหาวาระ 1. ปัจจญานุโลม1วิพังควาระเหตุปัจจัยสามสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สัมยุตตะขัน โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่จิตและจิตตาสมุทฐานนรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่สัมปยุจขันจิตและจิตตาสมุทฐานนรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะ ธรรมณปัจจัยสามหนึ่งสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยธรรมณปัจจัยได้แก่เพราะปรากรกขันที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานขันท์ที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรากรกขันท์ที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน จิตจึงเกิดขึ้นเพิ่งเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานจิตและสับยุติขันจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีรักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่มีรักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยรมณะปัจจัยได้แก่พระอริยออกจากมักแล้วพิจารณามักพิจารณานิพพาน นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูย่อเพิ่เพิ่มไม่เหมือนกับอรมณปัจจัยในจิตตะสหภูทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันมีก้าววระอธิปฏิปัจจัยสา2ร้อยสองสภาวธรรมที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณาธิปิ และสหชาตาธิปติมีสามวาระพึงเพิ่มอธิปติปัจจัยเป็นสองวาระสภาวธรรมที่ม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีรัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมนาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระพึงเพิ่มอธิปติปัจจัยเป็นสองวาระสภาวธรรมที่รัคนกับจิต มีจิตเป็นสมุฐานและที่ไม่ระควกับจิตมีจิตเป็นสมุฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ระควกับจิตและมีจิเป็นสมุทฐานโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออ ร, รมานาธิปติเพึ่เพิ่มอธิปติปัจจัยอย่างเดียวเท่านั้นมีค่าวาระเพิ่มเพิ่มเหมือนจิตตสหภูทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันอ น, นันตระปัจจัยเป็นต้นสามร้อยสาม ส, สภาวะธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแกส่สภาวะธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยนันทระปัจจยัยมีก้าวาระเหมือนกับจิ ต, ตะสหภูตุกะเป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัยมีก้าวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีก้าวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ เป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีกลาววาระเหมือนกับปัจยา ว, วาระเป็นปัจจัยโดยอุปาณิสยปัจจัยมีกลาวาระเหมือนกับจิตตสหภูทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันปุเรชาตปัจจัยเป็นต้นสววาม้สสภาวธรรมที่ม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ท, ท, ที่ม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะมีสามวาระเหมือนกับจิตตสหภูทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีรัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยปัจฉาชาตะปัจจัยเหมือนกับจิตตสหภูทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระมีสองวาระ สภาวธรรมที่มีมูลเดลมีหนึ่งฆาตนาเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีฆ่าวาระกรรมปัจจัยเป็นต้นสามร้อยห้าสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยกรมมปัจจัยมีสามวาระเหมือนขับจิตตาสะพูทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกัน ชาตาและนานาคณิกมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีเก้าวาระเหมือนกับพ่อความในจิตตสหภูทุกะเกาเลียงกราหานมีอย่างเดียวเท่านั้นเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมัคคะปัจจัยมีสามวาระ เป็นปัจจัยโดยสามวิยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิยุตตปัจจัย306สภาวธรรมที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยวิยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่มีรักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยวิบิยตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาติบรชาตะและปัชชาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่ระควกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยวิบิยตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบรชาตะสหชาตะได้แก่ ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยวิปยุตตปัจจัยปูเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคต ด, ด้วยจักผูวิญญาณโดยวิปยุตตะปัจจัยกายายตนะละถึงหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยวิปยุตตปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่รัควรกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รัควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานโดยวิบิยุตตปัจจัยมีสองอย่างเครือชาตตาและปเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสมยุญตะขันโดยวิบิยุตตปัจจัยปเรชาตะได้แก่ จากายยตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณและสัมยุญตะขันโดยวิบุญตะปัจจัยกายายตนะละถึงหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมยุญตะขันโดยวิบุญตะปัจจัยสภาวธรรมที่รกรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รครกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่รครกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยวิบุญตะปัจจัย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 และมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปัจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่รักควรับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รัคนรขับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปัจัยเหมือนขปฏิเจวาระสภาวธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน เป็นปัจจ um. ัยแห่สภาวธรรมที่มี <Yes. S 1> มรักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือชาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรีย์ปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยพึงเพิ่มปุเรชาตะปัจจัยที่ย่อไว้ทั้งหมดพึงขยายให้พิดารสภาวธรรมที่มีรักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่รักคนกับจิต และมีจิตเป็นส ม, มุทฐานโดยอธิปั จ, จัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและบุเรชาตะสหาชาตะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่สมยุติขันธ์โดยอธิปัจัยในปฏิสนธิขณะจิตเป็นปัจจัยแก่สมยุติขันธ์โดยอธิปัจัยในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่รับควกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปั จ, จัยบุเจจจจรชาตะปัจจัยนี้ เหมือนกับุเรชาตะปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวะธรรมที่มีระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่แสงปรยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกระตตารูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะหทไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมปยุตตะขันโดยอธิปัจจใจปุเรชาตะปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยสามสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐาน เป็นปัจจัยแก่สภาวาธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน BERG. โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะชาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สหรูคตด้วยจกักขูวิญญาณและจกักผูวิญญาณเป็นปจัญญญปนปจญญปปจัยแก่ขันสองและถึงขันสองขันหนึ่งที่สหรูคตด้วยจักผูวิญญาณและจักกายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันสองละถึง ที่สหะรโคตด้วยไฟยะวิญญาณขันหนึ่งที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและจิตเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองขันหนึ่งที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองในปฏิสนธิขณนะเพิ่มเพิ่มเป็นสองวาระ สภาวธรรมที่รัควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ม่รัควกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างเรยสะชาตะปุรเรชาตะปัจชาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญ ญ, ญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่งจักขุวิญ ญ, ญาณโดยอธิปัจจัย และถึงที่สหัคตด้วยกายวิญญาณขั้นที่ราคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและจิตเป็นปัจจัยแก่รูปที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปัจจัยขั้นที่รคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและมหาภูทรูปเป็นปัจจัยแก่รูปที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปัจจัยขั้นที่รคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและหาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่จิตโดยอัติปัจจัยในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเป็นสามวาระปัจฉาชาตะได้แก่ครั้นที่ ada, SO Flash, ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและจิตเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งมีรักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอัติปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ครั้นที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานจิตและกเลลินปราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่มีรัคนกับจิต และมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก <IS> so ่ครั้นที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานจิตและรูปปัจจิวตินทรียเป็นปัจจัยแก่ขัตารูปโดยอธิปัจใจสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิต มีจิตเป็นส ม, มุทฐานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่โสหรโคด้วยจักรวิญญาณและจักขายะตนะเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจักรวิญญาณโดยอธิปัจจัยขันสองที่โสหรโคด้วยกายะวิญญาณละถึงสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นส ม, มุทฐาน และจิตเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตแต่สมุทฐานรูปโดยอธิปัจใจขันสองและถึงขันหนึ่งที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตโดยอธิปัจจัย ข, นขน 1, นยยันสนนจจน 2, องในปฏิสนธิขณะเพึงเพิ่มเป็นสองวาระหนึ่งปัจญานุโลมสองสังพยาวาระสุทัน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 ปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระอาหารปัจจัยมีเ้าวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมยุญตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระ นัตถิปัจจัยมีฆ้าวาระวิคตะปัจจัยมีฆ้าวาระอวิคตะปัจจัยมีฆ้าวาระอนุโลมจบสองปัจนียุทธะสามร้อยสิบสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอรมณปัจจัยสหาชาตะปัจจัย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 มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่ร ắc ควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอารหมนะปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยสามสิบสภาวธรรมที่ไม่ร ắc คลกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่ร ắc ควกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอรหมนะปัจจัยสหชาตาปัจจัยอุปนิสัยปัจจัย ปเรชาตปัจจัยปัจชาชาตปัจจัยอาหาราปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่มีรครกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รครกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอรมณ์ปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยและปเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่รครกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน เป็นปันจ ad, taking, จัยแก AH uh ่สภาวธรรมที่รัควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิเสียปัจจัยและบุเรชาตปัจจัยสามอสงสภาวธรรมที่รัควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ระควกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน โดยอารมณะปัจจ ah ัยสหชาตาปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอารมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสียปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่รคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฐาน และที่มีรัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่มีรัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานโดยอรมณปัจจัยสหาชาตาปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสองปัจจยะปัจจินยะสองสังคยาวาระสามร้อยสิบสามนเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวะระ นาอารมณปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระนววิคตะปัจจัยมี9้าวาระ 3. ปัจจายานุโลมปัจจนียะสามนาอารมณปัจจัยประเพตุปัจจัยมีสมวาระนาอธิปฏ <cks pagar running> uh ิป huh. <mons> ัจจัยมี9้าวาระนาอนันตระปัจจัยมีสมวาระนาสมนันตระปัจจัยมีสามวาระ นอัญญะมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิเสยปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนาธิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระสปัจจยะปัจญิยานุโลมสามร้อยสิบห้า อารามณปัจจัยกับเนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอาทิปติปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระเพิ่มเพิ่มบทอนุโลมมาติกาจิตตสังจัตถสมุทฐานะทุกกะจบห4จิตตสังจัตถสมุทฐานะสหภูทุกกะหนึ่งปฏิ จ, จัวาระเหตุปัจจัยสาม้ยสิบ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 แม้ทุกกะ น, นี้ก็เหมือนกับจิตตสังสัทธสมุทฐานทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันจิตตสังสัทธสมุทฐานสหภูทุกกะจบหกสิบห้าจิตตสังสัทธสมุทฐานานุปริวัติทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยสามร้อยสิบเจ็ดสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิต อาศัยสภาวธรรมที่ราควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เราคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะแม้ทุกกะนี้ก็เหมือนกับจิตะสังสัทธะสมุทฐานทุกะไม่มีข้อแตกต่างกัน จิตสังจัตธะสมุทฐานานุปริวัติทุกกะจบ